วันนี้เป็นวันสุขที่ยี่สิบเก้าธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบหกเป็นวันหยุดวันแรกของวันหยุดสี่วันเมื่อในวเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สัทธาญาติโยม ผู้ฝ่ายทมจึงมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจที่จะใช้เวลาว่างนี้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์แก่จิตใจของตนเองเพราะสิ่งที่ผู้ที่ฝ่ายทม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 พอฟังสามอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับสจะทำให้กำจัดความสงสัยต่างๆให้หมดไปจากใจได้สจะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องคือปัญญาและห้าทำให้จิตสงบผ่องใส มีความสุขนี่คือประโยชน์ต่างๆที่ผู้ฟังทมจะได้รับจะได้รับสัมผัสกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงธรรมที่ท่านทั้งหลายจะฟังกันในวันนี้อาจจะเคยได้ยินมาก่อนก็ได้หรือสำหรับบางท่านก็อาจจะเป็นครั้งแรกก็ได้ ฟังแล้วจะทำให้เรารู้จักตัวเราเองดีขึ้นรู้จักว่าเราควรที่จะทำอะไรต่อชีวิตของเราเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขอย่างสูงสุดเพื่อที่จะกำจัดความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจวันนี้เราจะมาฟังเรื่องสถานภาพของตัวเรา ว่าเราคือใครเราตกอยู่ในสภาพอันใดตามหลักทำคำสอนแล้วเราก็คือใจผู้รู้ผู้คิดที่มาครอบครองร่างกาย<ม>เพื่อที่จะใช้ร่างกายพาเราไปทำอะไรต่างๆให้เกิดความสุขใจขึ้นมา แต่เรามองไม่เห็นว่าการที่เรามาใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขนั้นมันเป็นการดึงเราให้เข้าสู่ความทุกข์ของร่างกายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ความทุกข์ของร่างกายก็คือความแก่ ความเจ็บความตายความพัดภาคจากบุคคลต่างๆจากสิ่งต่างๆที่เราลักเราชอบอันนี้เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นกันมองไปไม่ถึงเพราะเวลาที่เรามาเกิดนะี่เราจะอยู่กับร่างกายที่กำลังเจริญเติบโตกำลังมีกำลังวังชา มีความสามารถที่จะทำอะไรต่างๆได้อย่างเป็นที่เรายังมองไปไม่ถึงความแก่ความเจ็บความตายที่เป็นเหมือนสิ่งที่อยู่อีกด้านหนึ่งของภูเขาตอนนี้เรากาลังอยู่ด้านหน้าของภูเขาเรากาลังปีนขึ้นเขากันอย่างสนุกสนาน แต่พอเราไปถึงยอดเขาแล้วเราก็จะต้องเดินลงเขากันแล้วไม่ได้ขึ้นเขาต่อไปเพอะยอดเขามันก็เป็นจุดที่สูงสุดที่จะขึ้นไปถึงได้หลังจากยอดเขาแล้วทีนี้เราก็จะต้องเดินลงสู่ความต่ำํำ ชีวิตของเราก็อย่างนั้นในเบื้องต้นชีวิตเราก็จะมีแต่การเจริญเติบโตมีมีการมีกำลังวังชามีสุขภาพที่แข็งแรงสามารถทำอะไรต่างๆที่เราอยากจะทำได้แต่วันหนึ่งมันก็จะต้องถึงจุดสูงสุดของของร่างกาย ของความแข็งแรงของสุขภาพของร่างกายแล้วต่อไปมันก็จะเข้าสู่ความเสื่อมของร่างกายเมื่อร่างกายจเจริญได้เต็มที่แล้วร่างกายก็จะเริ่มนับถอยหลังสุขภาพที่เคยแข็งแรงกำลังวังชาที่มีอยู่มากมาย มันก็จะลดน้อยถอยลงไปตามลาดับของเวลา<ม>จะเริ่มเข้าสู่วัยชราสภาพของอวัยวะต่างๆของร่างกายก็เริ่มเสื่อมเซรมลงไปไปตามการตามเวลาความสามารถที่จะใช้ร่างกายไปทำอะไรต่างๆได้ก็ลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆ แล้วต่อมาก็จะเริ่มมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเข้ามาเบียดเบียนทำให้การที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขนี้เป็นได้ยากขึ้นไปตามลำดั บ, บจนถึงขิดที่ไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขให้ได้เลยนอกจากมีแต่ความเจ็บไข้ได้ป่วย ต้องเข้าหาโรงพยาบาลเข้าหาหมอรักษากันอยู่เรื่อยๆแล้วก็ไม่ว่าจะรักษากันอย่างไรก็ตามมันก็จะต้องไปสู่จุดจบของชีวิตต่อไปเออร่างกายก็จะต้องตายไปอันนี้แหละคือส่วนที่ไม่ดีของร่างกายที่เรามองไม่เห็นกัน การที่เรามาได้ร่างกายเราคิดว่าการที่ได้ร่างกายนี้เป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขซึ่งมันก็ให้ความสุขกับเราพาล้พาเราไปหาสิ่งต่างๆที่เราอยากได้เช่นหาโลกธรรมทั้งสี่หาความสุขจากลายบยศสรรเสริญ หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพาชนิดต่างๆหาได้อย่างสนุกสนาน<ม>ด้วยความเพลิดเพลินด้วยความสบายใจพอใจ<ม>แต่อันนี้เ ป, นเป็นเพียงด้านหนึ่งของชีวิตที่เรามองเห็นกันเรามองเห็นด้านของความสุขส่วนด้านของความทุกข์ เวลาที่ร่างกายแก่เจ็บตายนี้เรามักจะมองไม่เห็นกันพอเราไปเห็นมันมันก็สายเสียแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วเมื่อได้ร่างกายนี้มาแล้วมันก็จะต้องรับทั้งส่วนที่สุขและรับส่วนที่ทุกข์ช่วงที่จะต้องไปรับส่วนที่ทุกข์นี่เป็นช่วงที่ทุกข์ทรมานใจเป็นอย่างยิ่ง อันนี้เราเป็นเหมือนปลาที่เห็นเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดก็คิดว่าเป็นอาหารานันโอชาแต่เรามองไม่เห็นเบ็ดที่มันติดอยู่ที่เนื้อที่เนื้อเนื้อเหยื่อมันติดมันห่มหอ ตัวเบ็ดเอาไว้ทำให้เราไม่เห็นตัวเบ็ดที่ว่ามีแต่เนื้อร่วนๆมีแต่มีแต่อาหารร่วนๆพอปลาที่ไม่ฉลาดไปฮุบเข้าก็จะถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวทันทีตะขอเบ็ดก็คือความทุกข์ที่จะตามมาหลังจากที่ได้ฮุบเหยื่นั้นแล้วการที่เรามาเกิดมามีได้ร่างกายนี่ ก็เป็นเพราะว่าเราเป็นเหมือนปลาที่ไม่ฉลาดมองไม่เห็นเบ็ดที่เกี่ยวติดอยู่กับการมาเกิด ค, คือเราไม่เห็นความทุกข์ที่มาที่มันติดมากับความสุขจากการได้มาเกิดเหตุที่พาให้เรามาเกิดนั้นก็คือความหลงอันนี้เองความหลงที่ไม่รู้ว่า การเกิดนี้นำไปสู่ความทุกข์เบื้องต้นการเกิดก็จะนำไปสู่ความสุ ข, ขก่อนเหมือนช่วงที่ปลาฮุบเหยือ่อฮุบอาหารที่ติดอยู่ปลายเบ็ดตอนที่ฮุบเหยื่อเข้าไปก็อเหมือนกับได้กินอาหารนันโอชะแพอกินเข้าไปแล้วมันก็ไปติดตะขอเบ็ดเข้าเกี่ยวปากแล้วก็ถูกคนที่เขาหย่อนเหยือ่อ ย่อนเบ็ดลงมานี้ดึงขึ้นไปไปทำไปแกงเป็นอาหารต่อไปอันนี้ก็เหมือนกันความหลงคิดว่าการที่เราจะมีได้มีร่างกายมีตาหูจมูกมิ้นกายจะพาให้เราได้ไปเสพสัมผัสกับความสุขของรูปเสียงกลิ่นรสผงศัทธา ซึ่งมันก็เป็นความสุขแต่มันก็มีความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปทั้งในส่วนของรูปเสียงกลิ่นรสผลสะพะ ท, ที่เราไปเสกมันก็เป็นสิ่งที่จะกลายเป็นความทุกข์ได้เบื้องต้นมันอาจจะให้ความสุขกับเราแต่พอระยะเวลาเปลี่ยนไปงานเข้ารูปเสียงกลิ่นรสนั้นมันก็เสื่อมได้ เปลี่ยนได้แล้วก็หมดได้ mm hmm. พอมันเสื่อมมันหมด mm hmm. ความสุขที่ได้จากมันก็หายไป mm hmm. ความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ mm hmm. พอเราเจอความทุกข์เหล่านี้เราก็ไม่รู้จะทำอะไรกันไม่รู้จักวิธีที่จะกำจัดความทุกข์เหล่านี้ให้หมดไปได้ มีจะ่ต้ทนทุกไปกับมันจนร่างกายนี้ตายไปความทุกข์ที่ได้จากร่างกายมันก็จะหมดไปชั่วคราวหมดไปสำหรับร่างกายอันนี้แต่ปัญหามันไม่ได้หมดไปกับความตายของร่างกายเพราะความหลงและความอยากที่จะใช้ร่างกายหาความสุขจากโลกกรรมทั้งสี่ โดยอยากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงเกลื่อนร้อนนี้มันยังติดอยู่กับใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายและความหลงความอยากอันนี้มันก็จะพาให้ใจนี้ไปหาร่างกายอันใหม่ไปรับร่างกายอันใหม่ลืมไปสนิทเลยว่าเวลาที่ได้ร่างกายอันใหม่ในแต่ละครั้งนี้จะต้องพบกับความทุกข์ต่างๆ ของทางร่างกายคือความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายอันนี้จะลืมไปแล้วก็จะไปเกิดใหม่ไปหาไปได้ร่างกายอันใหม่แล้วก็ไปเจอกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายอันใหม่ต่อไปไม่ว่าจะได้ร่างกายมากี่อันก็เหมือนกันหมดทุกร่างกาย เป็นเหมือนกันหมดมีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายกายเป็นธรรมดามก็ทำให้จะต้องติดอยู่กับความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆตราบใดที่ยังมีความหลงที่ไปคิดว่าการจะมีความสุขได้ต้องมีร่างกาย<ม>เป็นเครื่องมือเพราะว่า มีความอยากอยู่ในใจอยากหาความสุขอยากผ่านทางร่างกายอยากหาความสุขจากการได้ลาบยศจันลรเสริญได้เสพได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผดภาชนิดต่างๆมันก็เลยทำให้ติดอยู่ในเรียกว่าคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตายนี้อ ดังนั้นสถานภาพของใจของพวกเราทุกคนในขณะนี้ก็เปรียบเป็นเหมือนนักโทษดีๆนี่เองนักโทษที่ถูกกักขังอยู่ในเรือนจําอยู่ในคุกตารางที่มีกําแพงอยู่สี่ด้านด้วยกันด้านที่หนึ่งก็คือกําแพงเกิดด้านที่สองก็คือกําแพงแก่ด้านที่สามก็คือกําแพงเจ็บไข้ได้ป่วย แค่ด้านที่สี่ก็คือกำแพงตายติดอยู่ในคุกอันนี้มาอยู่นานแสนนานแล้วไม่มีวันที่จะหลุดออกจากคุกอันนี้ไปได้เลยถ้าไม่มีคนฉลาดมาช่วยบอกปัญหาแลวช่วยบอกวิธีแก้ปัญหานี้เท่านั้นคนที่จะมาบอกมาบอกเรื่องของปัญหาของการเกิดแก่เสียตายนี้ ในเรื่องของวิธีแก้ปัญหาของความเกิดแก่เ็ดจายนี้ว่าจะแก้ได้อย่างไรนี้ก็คือพระพุทธเจ้าแหละแต่ละพระองค์นี้เท่านั้นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้เท่านั้นเป็นผู้ที่มีปัญญาบา ร, รมีมีความรู้ความสามารถที่จะเห็นสภาพที่แท้จริงของจิตใจของตนเองและของผู้ ว่าเป็นดวงวิญญาณเป็นใจผู้รู้ผู้คิดผู้มีความหลงมีความอยากในการที่จะแสวงหาความสุขจากการมาเกิดในภพต่างๆนอกจากพบมนุษย์แล้วก็ยังมีภพของเทวดาของพรหมยังมีภพของเดรัจฉานภพของเปรตภพต่างๆเหล่า น, นี้ก็มีการเกิด แล้วก็มีการดับไปหลังพบก็อาจจะไม่มีความแก่ความเจ็บมากนะเช่นถ้าพบมีแต่ความเกิดแล้วก็การดับไปแต่ก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในพบต่างๆเหล่านี้คุกตารางแล้วคุกตารางที่ดวงจิตดวงวิญญาณของพวกเราทุกคนติดอยู่นี้มีชื่อว่าสังสารวัฏหรือว่าตะสงสาร เป็นการวัดวัดตตสงสารก็คือการเวียนไหวาตายเกิดในตายพบ mm hmm. ตายพบก็คือการมาพบสาหรับผู้ที่เสพรูปเสียงกลิ่นรสเป็นอารมณ์รูปประพบสาหรับผู้ที่เสพรูปประชานเป็นอารมณ์อรูปประพบเป็นที่อยู่ของผู้ที่เสพบรูปประชานคือความสงบทางสมาธิเป็นอารมณ์ นี่คือสิ่งที่มีอยู่ในสังสารวัตที่ดวงวิญญาณแต่และดวงนี้มาหลงติดกันบางดวงก็ติดอยู่กับการเสพรูปเสียงกิ่นรสผละพะบางดวงก็ไปติดอยู่กับการเสพรู ป, ประชานคือความสงบในระดับรูปประชานความสงบก็คือสมาธิพวกนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกนักบวช หรือเป็นพวกที่ถือศีลแปดกันพวกที่ไม่สนใจที่จะหาความสุขจากการเสพกามกันไม่สนใจที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นเพราะได้สัมผัสกับรสของความสงบที่เป็นความสุขเหนือกว่าความสุขของรสของกามนี่ก็จะทุกพบทุกชาติเวลาที่มาเกิดก็มักจะมาเกิดเป็นนักบวชกัน ถ้าไม่เป็นนักบวชก็เป็นฤาษีชีพายเป็นผู้ที่อยู่คนเดียวาหาความสงบาหาความสุขจากการทําใจให้สงบไปแล้วเวลาที่ร่างกายตายไปก็จะไปเกิดอยู่ในรูปประภพหรืออรูปประภพซึ่งเป็นที่เราเรียกว่าภพของพรหมพรหมมีสองชนิดรูปประภมกับอรูปประภม รูปประพรมก็คือผู้ที่เสพลูกประชานอารูปประพรมก็คือผู้ที่เสพอารูปประชานฌานสองระดับนี้มีความต่างกันคือความนิ่งความสงบความสุขต่างกันรูปประชานี้มีความนิ่งมีความสงบน้อยกว่าอารูปประชานความสุขก็น้อยกว่าความนิ่งความสงบก็น้อยกว่า แต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือเป็นภพที่ไม่เที่ยงเช่นเดียวกันมีเกิดแล้วเดี๋ยววันหนึ่งก็ต้องมีวันเสื่อมและมีวันสิ้นสุดลงเพราะเสื่อมจากรูปภพหรืออารูปร์ภพดวงวิญญาณก็จะมาหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้เข้าใช้ร่างกายอันใหม่เป็นเครื่องมือหาความสุขต่อไปใหม่ เช่นเดียวกับพวกที่เสพตามพวกที่เสพลูกเสียงกลิ่นรสผดฉาภะพวกนี้ก็เวลาอยู่บนนอกนี้ก็จะหาความสุขจากการไปเที่ยวไปกินไปดืม่มเช่นช่วงหยุดสี่วันนี้ส่วนใหญ่ก็จะไปหาความสุขจากการไปกบปะกับลูกเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆไปเยี่ยมบ้านก็คิดถึงบ้าน อยากจะไปเสพสัมผัสกับลูกเสียงกิ่นรถที่เคยเสพสัมผัส ต, ตอนที่อยู่บ้านคิด <c oughs> ถึงคนนั้นคนนี้อันนี้ก็เป็นการเสพตามเหมือนกัน <c oughs> หรือบางพวกก็ไปเที่ยวตามป่าตามเขาตามทะเล <c oughs> บางคนก็ไปเที่ยวตามต่างประเทศ <c oughs> ไปดูไปชมสถานที่ต่างๆที่ไม่ได้ที่ไม่ได้เห็นไม่เคยเห็นมาก่อน <c oughs> แล้วก็เกิดความเพลิดเพลินเกิดความสุขชั่วคราวในขณะที่ได้เสพได้สัมผสัสพอกลับมาบ้านความสุขเหล่านั้นก็จางหายไปปล่อยให้เกิดความรู้สึกหิวรู้สึกอยากที่จะไปเสพใหม่ก็ต้องตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินหาเงินหาทองกันใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วเพื่อจะได้เก็บเงินเก็บทองไว้ รอช่วงเทศกาลต่อไปเช่นจากสงท้ายตปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็อาจจะไปช่วงตรุษจีนถ้าเป็นชาวจีนหรือช่วงเทศกาลสงการานต์ถ้าเป็นชาวไทยหรือชาวจีนสมัยนี้ฉลองกันทุกเทศกาลไม่ว่าจะเป็นจีนหรือเป็นไทยขอให้มีวันหยุดเท่านั้นแล้วก็ขอให้มีเงินใช้เท่านี้ นี่ก็สําหรับพวกผู้ที่เสพการเงินทั้งหลายก็จะวันเนี่ยก็เจยววันดีวันวันหนึ่งก็คอยไปทํางานหาเงินหาทองเก็บเงินเก็บทองไว้ส่วนหนึ่งก็เอาไว้เลี้ยงปากเลี้ยงทองอันนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นต้องมีด้วยกันทุกคนต้องเลี้ยงปากเลี้ยงทองดูแลร่างกายให้สมบูรณ์ให้แข็งแรงเพราะถ้าเกิดร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็จะไป เที่ยวไม่ได้เช่นช่วงหยุดสี่วันนี้ถ้าเกิดไปติดโควิดเข้าไปติดไข้หวัดใหญ่เข้าการที่จะไปเที่ยวก็อาจจะต้องถูกระงับไปเพราะร่างกายไม่พร้อมที่จะตอบสนองความอยากนี่ก็คือการเสพกามตรงนี้ก็จะอยู่ในการรมะพภการรมะพภกก็มีแบ่งเป็นสองส่วนด้วยกัน ส่วนที่เป็นสุขเราเรียกว่าสุกติหรืสวรรค์ชั้นต่างๆสวรรค์ของเทวดาทั้งหลายและสวรรค์อันนี้เป็นสวรรค์ของเทวดาไม่ใช่สวรรค์ของโมโมไม่เสพกามอันนี้เป็นพวกเทวดาเทวดานี้ยังเสพกามอย่ัยงเสพรูปเสียกงกลิ่นรสเวลาไม่มีร่างกายก็อาศัยบุญกุศลที่ได้ทำไว้ผลิต รูปเสียงกิ่นรถทิปขึ้นมาให้เสพโลกเทวดานี้เขาจะเหมือนอยู่ในเหมือนกับไปท่องเที่ยวในโลกทิพซ์ไปเ ส, สพสัมผัสกับรูปทิพ์เสียงทิพซ์กลิ่นทิพซ์อะไรต่างๆเหมือนกับเวลาที่เราไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเราเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรถผ่านทางร่างกายตาหูจมูกทิ้งกายพอเวลาที่เราไม่มีร่างกายเราก็ต้องอาศัยบุญที่เราทำไว้ ถ้าเราทำบุญไว้เราก็จะได้ไปเสียงรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์ที่ให้ความสุขความเพลิดเพลินเหมือนกับตอนที่เราใช้ร่างกายพาเราไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนี่คือส่วนส่วนที่เป็นสุขคติส่วนที่มีความสุขมากกว่ามีความทุกข์ก็คือส่วนที่เป็นที่อยู่ของพวกเทวดาทั้งหลาย แล้วก็มีอีกซีกหนึ่งที่เป็นส่วนที่เป็นที่อยู่ของพวกที่สร้างเวรสร้างกรรมทําบาปทํากรร ม, มตรงนี้เวลาตายไปดวงวิญญาณจะไปเสพ ร, รูปทิพย์เสียงทิพย์ที่เต็มไปด้วยความทุกข์เ<ม>ต็มไปด้วยความหิวโหยเต็มไปด้วยความอยากเพราะเกิดจากการที่ทําบาปในขณะที่มีชีวิตอยู่<ม>สิ่งนี้เขาเรียกว่าทุกขติ การมาพบนี้มีแบ่งไว้เป็นสองสีกด้วยกันซีกที่เป็นสุกติและสีกที่เป็นทุกขติส่วนพบของมนุษย์นี้เป็นพบที่อยู่ตรงกลางระหว่างสุกติกับทุกขติแล้วแต่จะเลือกทำถ้าทําบุญทำความดีก็มีความสุขถ้าทำบาปทำกรรมก็จะมีความทุกข์แล้วเวลาที่ตายไป บาปกบุญที่ทําไปนี้ก็จะเป็นตัวที่จะดึงใจให้ไปเสพรูปทิพย์เสียงทิพย์ทางซีกไหนทางซีกของสุขคติก็ไปเป็นเทพชั้นต่างๆถ้าเป็นบาปก็จะถูกดึงให้ไปเสพความทุกข์ของรูปทิพย์เสียงทิพย์หรือการไปเกิดเป็นเดรัจฉานอย่านี้แหละคือที่เวียนว่ายตายเกิด หรือคุกตารางของสังสารวัตรที่ตักขังดวงจิตดวงวิญญาณที่ยังมีความหลงที่ยังมีความอยากหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในไตรภพน์นี้ไม่ว่าจะเป็นกามก็คือรูปเสียงกลิน่นรสโผฏฐัพพะหรือความสงบจากสมาธิคือรูปประชานหรืออรูปประชานถ้ายังมีความ อยากในสิ่งทั้งสามนี้การก็ดีปป ร, ดรูปประชานก็ดีดอรูปประชานก็ดีดวงจิตก็จะต้องติดอยู่ในคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตายเพราะว่าไม่ช้าก็เร็วหลังจากที่ดวงวิญญาณไปเสพความสุขหรือความทุกข์ในโลกทิพย์แล้วก็จะมารอรับร่างกายอัใหม่มาหาร่างกายของมนุษย์ใหม่แล้วก็มาหาความสุข ผ่านทางร่างกายอันใหม่แล้วก็ต้องมาเจอกับความแก่ความเจ็บความตายรอบใหม่ก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้มาแบบน้ำไม่ท่วนปริมาณของการมาเกิดแก่เจ็บตายนี้เราไม่สามารถเขียนได้ด้วยตัวเลขเพราะมันมากจนกระทั่งประมาณไม่ได้วิธีที่จะประมาณปริมาณของการเกิดแก่เจ็บตายของเราว่า เรามาเกิดแก่เจ็บตายกันกี่รอบแล้วนี้ท่านบอกว่าให้เราเอาน้ําตาที่เราหลั่งในแต่ละครั้งที่เรามาเกิดนี่นเวลาเรามาเกิดนี่เราต้องเจอกับความเศร้าโศกเสียใจเจอกับความทุกข์ใจกันทุกคนแล้วเราก็ต้องหลั่งน้ําตากันท่านบอกว่าให้เอาน้ําตาที่เราหลั่งในแต่ละภพแต่ละชาตินี้มารวบรวมกันมันจะได้น้ําตามากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทร เราคิดดูแล้วกันว่าน้ำในมหาสมุทรนี้มากขนาดไหนแล้วเราจะต้องมาทุกข์ร้องห่มร้องไห้กันกี่ครั้งกี่รอบด้วยกันถึงจะได้น้ำตามากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทร น, นั่นแหละคือปริมาณของการเวียนว่ายตายเกิดของเราหรือเวลาของการติดคุกอยู่ในคุกตารางแห่งการเกิดแก่จิตายของพวกเรานี้มันยาวนานขนาดนั้นแล้วมันจะยาวต่อไปด้วย ตราบใดถ้าเราไม่ได้มาแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือความหลงและความอยากที่จะหาความสุขจากการมก็ดีจากรูปฌานก็ดีจากอรูปฌานก็ดีเราก็ยังจะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปอยู่เรื่อยๆและเราตามลำพังแล้วเราจะไม่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่จะมองเห็นถึงความเป็นจริงของ สภาพของเราได้ว่าเราเป็นใครกันส่วนใหญ่พวกเราเกิดมาเราก็คิดว่าเราเป็นร่างกายกัน<ม>คิดว่ามีชื่อนั้นชื่อนี้เป็นลูกของคนนั้นลูกของคนนี้เป็นพี่เป็นน้องของคนนั้นคนนี้รู้แค่นี้<ม>ซึ่งเป็นความรู้ที่ไม่ถูกต้องตามหลักความจริง<ม>เพราะว่าความจริงก็คือร่างกายมันไม่ได้เป็นเราร่างกายมันเป็นเพียงเครื่องมือเหมือนกับเวลาที่เราไปซื้อรถยนต์มาขับนี รถยนต์เป็นเพียงเครื่องมือไม่ใช่เราเราเป็นคนขับนีคนสั่งให้ร่างกายถ้าคนสั่งให้รถวิ่งไปไหนมาไหนได้คือก็คือเราเราคนที่ซื้อรถมานี่เราไม่ได้เป็นร่างกายแต่เราก็มาหลงที่ว่าเราเราเราไม่ได้เป็นรถยนต์แต่เราก็มาแต่เราไม่หลงเพราะเราเรารู้เราเห็นว่ารถยนต์นี้เป็นสิ่งที่เราไปซื้อมาแต่ร่างกายนี้เป็นสิ่งที่เราได้มานี่เราไม่รู้ ม่รู้เพราะอะไรเพราะหนึ่งตัวเราเองจริงๆเราไม่มีรูปร่างหน้าตานั่นเองตัวจิตใจนี้ไม่มีรูปร่างหน้าตามีแต่ความรู้สึกนึกคิดที่สามารถที่จะมาครอบครองร่างกายได้ก็เลยไปคิดว่าตอนกับร่างกายเป็นคนเดียวกันเป็นอย่างเดียวกันเพราะเวลาคิดอะไรสั่งอะไรให้ร่างกายทําร่างกายก็ทําตาม ท, าทันที สั่งให้เลี้ยวหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาะสั่งให้ยิ้มสั่งให้ทําอะไรร่างกายก็ทําตามหมดทุกอย่างเราก็เลยเข้าใจผิดไปคิดว่าเราเป็นร่างกายไปแต่ความจริงแล้วเราไม่ได้เป็นร่างกายแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราทําไมต้องมาทุกข์กับสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราก็เพราะเราไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรามันเป็นของไม่เที่ยง มนเป็นของชั่วคราวเป็นของที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลามีเกิดแล้วก็มีการดับไปเป็นธรรมดา <Yeah. S 1> เราก็เลยเจอกับความทุกข์จากสิ่งต่างๆแทนที่จะได้ความสุขอย่างเดียวกับจะต้องมาเจอกับความทุกข์อยู่เรื่อยๆ <Yeah. S 2> แต่เราก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเพราะเราเป็นเหมือนกับว่าถูกบังคับเหมือนคนที่ติดอยู่ในคุกในตาราง ถูกบังคับจะต้องอยู่ในคุกต้องทำตามกฎระเบียบของคุอาากอต่างถ้าไม่ทำตามกฎตามระเบียบก็จะถูกจับไปลงโทษเราก็เลยต้องยอมทาตามกับสภาพของเราเวลาเราทุกกับการสูญเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เรารักไป ก, ก็ก็ต้องทุกไปเวลาที่เราทุกเวลาที่เราต้องทุกกับความแก่ความเจ็บความตายเราก็ต้องทุกไป เพราะเราไม่รู้ทางออกไม่รู้วิธีแก้ไขปัญหานี้ว่าจะแก้ไขได้อย่างไรวิธีแก้ไขที่แก้กันก็ไม่ถูกบางคนคิดว่าถ้าทุกข์มากๆก็ฆ่าตัวตายไปเลยพอร่างกายตายไปแล้วความทุกข์มันก็จะได้หมดไปมันก็ไม่หมดเอาความทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายความทุกข์มันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ความอยากของใจอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขพอไม่ได้ก็เลยเกิดความทุกข์ ในเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บนี้อยากจะไปเที่ยวก็ไปไม่ได้ก็ต้องอยู่บ้านอยู่ตามลําพังก็เกิดอาการซึมเศร้าเกิดความทุกข์ขึ้นมาเขคิดว่าถ้าฆ่าตัวตายแล้วความทุกข์อันนี้มันก็จะหมดไปมันอา จ, จะหยุดพับชั่วคราวแต่ความทุกข์มันยังอยู่ในใจยังอยู่ในกับความอยากแล้วก็ความอยากนี้มันก็จะดึงให้เรากลับมาเกิดใหม่อีกแล้วก็มาเจอความทุกข์แบบเดิมอีก ทำยังไงก็แก้ไม่ได้ถ้าแก้ด้วยการฆ่าตัวตายไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาแต่กลับจะทำให้ปัญหานี้มันมันหนักขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเมื่อแก้แก้ด้วยการฆ่าตัวตายมันก็จะติดเป็นนิสัยไปพอชาหนากลับมาพอทุกนิดหน่อยทนไม่ได้ก็ฆ่าตัวตายไปก็เลยไปไม่ไหนไปไม่ถึงไหนก็ติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จะต้องมีคนที่ยิ่งใหญ่คนที่สามารถที่จะมองเห็นสภาพความเป็นจริงของตอนเองได้ว่าตนเองนี้ไม่ได้เป็นร่างกายตนเองเป็นใจเป็นผู้รู้ผู้คิดที่หลงมายึดมาติดกับร่างกายเพื่อที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับตนและวิธีที่จะต้องทำให้ปัญหานี้หมดไปได้ก็ต้องไปแก้ที่ปัญหาคือความหลง ความหลงที่ไปคิดว่าความสุขอยู่ที่ร่างกายอยู่ที่การมีร่างกายอยู่ที่การมาสุขอยู่ที่รูปประชาญอยู่ที่อรูปประชาญความสุขเหล่านี้มันเป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดมันจะทำให้ติดติดเบ็ดของการเกิดแก่เจ็บตายไปเรื่อยๆต้องเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์นี้ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้า แต่บ็รผู้ที่มีบาลามีมีความรู้ความสามารถเช่นมีปัญญาบาลามีมีอุเบกขาบาลามีมีวิริยะบาลามีมีขันติบาลมีมีบาลามีที่ที่จะมาใช้ต่อสู้ในการที่จะแก้ปัญหาคือหยุดดับความหลงดับความอยากต่างๆ ทเป็นตัวพาให้มาต้องเวียนว่ายตายเกิดมาติดในคุกตรรางแห่งสังสารวัฏคุกตรรางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายนานๆจะมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระโพธิสัตว์ที่จะมาตัดสั้นเป็นพระพุทธเจ้าเช่นเจ้าชายสีทัตเราสามารถพูดได้เต็มปากว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านมาเกิดแล้วท่านก็มาบําเพ็ญออกบวญ หลังจากที่ไปเห็นปัญหาคือคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชเห็นเทวทูตสี่ใจท่านก็เกิดปัญญาขึ้นมาทันทีว่าใครก็ตามเมื่อเกิดมาแล้วจะต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความตายและคนที่เหมาะกับการที่จะแก้ปัญหานี้ได้ดีที่สุดก็คือนักบวชทั้งหลายพระองค์ก็เลยตัดสินใจว่าจะต้องออกบวช พอถึงเวลาที่มาถึงเวลาที่ถูกบังคับให้ตัดสินใจคือวันที่พระมเหสีทอดพระราชโอรสเราทราบข่าวว่าได้ลูกชายแล้วโตองก็ทรงอุทธธานขึ้นคำว่าลาหุนราหุนแปลว่าบ่วงบ่วงได้เกิดขึ้นแล้วบ่วงใจที่จะที่จะผูกมัดใจให้ติดอยู่กับลกับลูกนี่เอง องลรารู้ว่าถ้าไม่ตัดสินใจในคืนนั้นถ้ายังจะอยู่ในวังต่อไปก็จะไม่มีวันที่จะออกบวชได้ไม่มีวันที่จะไปปฏิบัติไปหาวิธีแก้ปัญหาของใจได้ mm hmm. เลยต้องตัดสินใจหนีไปในคืนนั้นเลย mm hmm. และไม่ไปดูลูกด้วย mm hmm. เพราะกลัวใจจะอ่อน mm hmm. เห็นลูกแล้วใจอาจจะอ่อนขึ้นมา ทำให้ไม่อยากจะทิ้งลูกไปก็เลยต้องหนีไปแล้วไม่บอกใครเพราะถ้าบอกก็จะถูกห้ามดีไมด่ดีอาจจะถูกจับขังคุกก็ได้เพราะเขาอาจจะคิดว่าเป็นคนบ้าไปก็ได้อยู่ดีๆเป็นกษัตริย์เป็นลูกของกษัตริย์มีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองมากมายมีความสุขมากมายกลับทิ้งไปหมดก็อยู่แบบขอทาน ถ้าไม่บ้าแล้วจะเป็นจะจะเป็นอะไรก็ต้องเป็นพระโพธิสัตว์นะอพระโพธิสัตว์กับคนบ้านี่เหมือนกันในสายตาของคนโง่อย่างพวกเหล่านี้เราก็จะเห็นว่าคนที่สละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองแล้วไปบวชเนี่ยเป็นพวกคนบ้ากันไม่มีใครที่มีสติปัญญาดีๆจะทิ้งความสุขไปหาความทุกข์กันหรออันนี้แหละ คือสิ่งที่พระเจ้าต้องทําถ้าไม่ได้เป็นพระโทธิสัตว์ก็รับประกันได้เออกบวตไม่ได้ต ล, ลาดราชสมบัติไม่ได้เพราะยังไม่มีความกําลังพอที่จะอยู่แบบที่ไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไนดะ้อยู่แบบขอทานได้<ม>ก็ก็ต้องติดอยู่กับการอยู่เป็นกษัตริย์อยู่ในวังต่อไป<ม>แต่นี่เนื่องจากว่าท่าได้ทรงบําเพ็ญบา ร, รมีต่างๆมา เช่นขันติบารมีความทุกข์ความทุกข์ที่จะทนต่อสู้ขันติคือความอดทนที่จะต่อสู้ออกับความทุกข์ต่างๆที่จะต้องเกิดขึ้นจากการไปเป็นนักบวชได้ท่านก็เลยไปได้อาท่านก็รู้ว่าถ้าอยู่ในวังมันไม่มีเวลาที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาของใจนี้ให้หมดสิ้นไปจากใจได้ ก็เลยต้องหนีไปออกบวชไปในเคืนที่พระมเหสีได้คลอดพระราชโอรสคําว่าราหุนก็เลยกลายเป็นชื่อของพระราชโอรสไปคนที่มาแจ้งข่าวพอได้ยินต้องตัดคําว่าราหุนก็คิดว่าต้องทรงตั้งชื่อลูกว่าชื่อราหุนลูกชายก็เลยชื่อพระราหุนมาตั้งแต่บัดนั้นแต่ความจริงท่านเป็นการอุทานพูดออกมาว่าบ่วงได้เกิดขึ้นแล้ว บ่วงที่จะมัดหัวใจของเจ้าชายสิทธัตถะให้ติดอยู่กับลูกให้อยู่ในวงังให้ใช้ชีวิตของผู้ครองเรือนต่อไปถ้าไม่ได้เป็นพระโพธิสัตว์ก็คงจะไม่ได้ออกบวชอย่างแน่นอนแต่ถ้าเป็นพระโพธิสัตวนะ์แล้วท่านมีความปัญญามองเห็นทุกทัทนทะีพอได้ลูกก็บอกว่าบ่วงนะบ่วง ก, ก็แปลว่าความทุกข์นี่ เวลาเรามีความผูกพันกับใครนี้เราสุขหรือทุกข์กับเขาพอมีใครเราลากักเราห่วงขึ้นมานี่ใจเราเริ่มวิตกเริ่มกังวลเริ่มห่วงใยแกงว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาหรือไม่อะไรจะเป็นอะไรเขาจะเป็นอะไรหรือไม่จะเจ็บหรือไม่จะเจ็บไายได้ป่วยหรือไม่จะตายโดยอุบัติเห็นจะตายโดยก่อนวัยหรือไม่มันยาดคิดไม่ได้ของเหล่านี้ถ้าเราเริ่มมี บ่วงกับใครแนละ้วถ้าเรามีความผูกพันกับใครแนละ้วอันนี้แหละทงเห็นว่าเป็นทุกข์พอมีอะไรเนี่ยทุกข์ขึ้นมาทันทีก่อนที่จะได้ยินข่าวนี่ว่ามีลูกนี่เฉยๆใจสบายนะพอได้ยินข่าวว่ามีลูกปั๊บนี่ปัญญามันบอกโอ้ยตายแล้วมาแล้วความทุกข์มาแล้วทุกข์จังจัดต้องคอยเลี้ยงดูลูกให้ดี แล้วก็ต้องมาคอยห่วงมาคอยกังวลว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับลูกลูกหรือไม่ลูกจะเจ็บไายได้ป่วยหรือไม่ลูกจะมีอุบัติเหตุหรือไม่มีอะไรร้อยแปดพันประการที่จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่เป็นพระถ้าไม่เป็นพระโพธิสัตว์นี่จะไม่เห็นจะจ ะ, จะดีใจกันคนเราสังเกตดูเวลาเขาบอกได้ลูกแล้วโอ้ oh, เลี้ยงฉลองกันใหญ่เลเฮฮากันใหญ่ฉลองอะไรก็ฉลองความทุกข์ โดที่ไม่รู้ว่ากำลังฉลองความทุกข์กันอยที่ว่านี่แหละคือความสุขมีลูกแล้วจะมีความสุขลูกเขาจะเลี้ยงดูเราต่อไปเวลาเราแก่เราชราเป็นเพื่อนจะเป็นเพื่อนกับที่ดีกับเราที่ไหนด้วยนะที่ไหนได้บางทีก็ไปได้ลูกในละคุณขึ้นมาก็มีลูกที่ไม่เห็นบุญคุณของพ่อแม่ก็มามีก็มีก็มาสมัยนี้ได้ยินข่าวกันอยู่เรื่อยๆลูกๆสมัยนี้บอกว่าพ่อแม่อืม ไม่มีบุญคุณกับเขาพ่อพ่อแม่มผลิตเขามาโดยที่ไม่ได้ไปขออนุญาตเขาเขาไม่ได้ขออนุญาตมามาเกิดเท่าไหร่ไปมาทําให้เขาเกิดทําไมแล้วมันมองกับมองไปแง่มุมนั้นเพ่อแม่ที่ได้ลูกแบบนั้นก็จะต้องเสียอกเสียใจบุษาเนี่ยเหนื่อยเมื่อยล้าอดทนต่อความทุกข์ยากลําบากในการเลี้ยงดูลูกให้ลูกอยู่ดีกินดีให้ ให้จเจริญเติบโตมีความสุขแต่กลับมาเจอลูกที่กลับปฏิเสธบุญคุณเหล่านี้ไปนี่ความทุกข์ความเสียใจยมันก็จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน <c oughs> นี่แหละคือปัญหาของการมีอะไรถ้าไม่ใช่เป็นพระโพธิสัตว์แล้วจะมองไม่เห็นจะมองเห็นแต่ส่วนดีอย่างเดียวมีลูกดีจะได้มีเพื่อนมีคนคอยดูแลเราคอยเลี้ยงดูเราตอนที่เราเจ็บไข้ได้ป่วย แต่ไม่เคยคิดถึงลูกที่ในระคุณว่าเป็นอย่างไรบ้าง <c oughs> คิดว่าลูกของตนจะต้องดีอย่างเดียว <c oughs> พอไปเจอลูกที่ไม่ดีเข้าก็ทําใจไม่ได้บางทีเสียใจตายไปก็มี <c oughs> ตายเพราะความรักลูกเสียใจที่ลูกไม่รักตน <c oughs> เหมือนกับตอนที่รักลูก <c oughs> อันนี้แหละถ้าไม่ถ้าไม่ใช่เป็นพระโพธิสัตว์จะไม่เห็นความทุกข์ต่างๆเหล่านี้ถ้าเป็นพระโพธิสัตว์มีปัญญาท่านเห็นความไม่เที่ยว แต่ท่านยังไม่เห็นการไม่มีตัวตนอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านยังไม่รู้รู้ว่าไม่เที่ยงแล้วความไม่เที่ยงนี้ทำให้ทุกข์แต่ไม่รู้ว่าจะทำไงที่จะทำให้ไม่ทุกข์กับความไม่เที่ยงได้จนกว่าจะมาบาเพ็ญมาบวชมาเจริญสตินั่งสมาธิเข้าสมาธิเข้าฌานเข้าวิปัสสนาจึงเริ่มเห็นความไม่มีตัวตนในร่างกาย ก็เริ่มพิจารณาเห็นว่าที่เราไปทุกข์กับสิ่งที่ไม่มีตัวตนเพราะเราไปคิดว่าเป็นตัวเราของเรานั่นเองพอถ้าเราไปมองว่ามันมันไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเราก็ไม่ทุกข์ขึ้นมาทันที<ม>เช่นร่างกายคนอื่นเราทุกข์มเวลาคนอื่นร่างกายคนอื่นก็เป็นอะไร<ม>คนที่เราไม่รู้จักคนที่เราไม่มีความผูกพันด้วย<ม><ม>เวลาเ็าเป็นอะไรเราก็เฉยเฉยไม่เดือดร้อนจากเวลาที่ เป็นอะไรกับร่างกายของเราเนี่โอเ้เราเดือดร้อนขึ้นมาทันทีเลยเราทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะเราคิดว่าเป็นตัวเราของเราขึ้นมาแต่หลังจากที่ได้ปฏิบัติวิปัสสนาได้ปฏิบัติตสมถะภาวนาก็สามารถแยกแยะร่างกายออกจากใจใจออกจากร่างกายได้เราเห็นว่าเป็นคนสองคนไปใจเป็นนายกายเป็นบ่าวร่างกายเป็นคนรับใช้ใจ ใจเป็นคนสั่งการให้ร่างกายไปท hace ํานู่นท <bullshit> <t rain> <t rain> <t rain> ํานี่ใจไม่มีวันตายแต่ร่างกายนี้จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาพอรู้ความจริงอันนี้ก็เฉยกับมันได้มันจะแก่ก็ห้ามมันไม่ได้มันจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ห้ามมันไม่ได้มันจะตายก็ห้ามมันไม่ได้แต่ไม่ทุกข์กับมันได้เพราะเรามองว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเราเท่านั้นเองพอเรามองว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันก็ไม่ทุกข์แล้ว อะไรที่ไม่ใช่ของเราเราไม่ทุกข์หรอกบ้านของเราบ้านของเรากับบ้านคนอื่นเนี่ยเวลาบ้านคน อ, อื่นไฟหไหม้เราทุกข์ไหมไม่ทุกข์หรอกเวลาบ้านของเราไฟไหม้หน่อยเทุกข์ขึ้นมาทันทีเ<ม><ม>พราะมันอะไรเป็นของเราขึ้นมาเมื่อไหร่เวลานั้นอนะ่ะมันเกิดอุปท า, านความยึดมั่นถือมัน่นความรักความหวงมันจะเกิดขึ้นตามมาแล้วความทุกข์ก็จะเกิดตามมาเวลาที่เกิดการสูญเสียของสิ่งที่เรายึดถือว่าเป็นของเรา ซึ่งความจริงแล้วมันไม่มีอะไรเป็นของเราเหรอกในโลกนี้ของต่างๆนี้เป็นเหมือนกับของที่เรายืมมาชั่วคราวเท่านั้นแม้กระทั่งร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนกับเรายืมมายืมมาจากดินน้าลมไฟดินน้าลมไฟเป็นผู้สร้างร่างกายนี้ให้กับเราแล้ววันยังดินน้ำลมไฟก็จะมาข อ, อคืนไปเวลาร่างกายเวลาคนตายนี้ดินน้ำลมไฟก็จะแยกตัวกันลมไปก่อนลนะลมไม่เข้าลมลมมีแต่ลมออก พอตายหยุดหายใจหายใจเข้าไม่มีไม่มีลมเข้ามีแต่ลมที่อยู่ในร่างกายที่จะระเหย อ, ออกไปแล้วตามด้วยไฟความร้อนที่มีในร่างกายก็ค่อยหายไปร่างกายก็เย็นร่างกายคนตายกับคนเป็นนี่ลองไปจับดูเลยคนคนเป็นไปจับร่างกายของคนตายจะรู้ว่าทำไมร่างกายเขาเย็น<ม>เพราะธาตุไฟมันออกจากร่างกายไปแล้วแล้วตามด้วยธาตุน้า ม, มัน ของเหลวต่างๆมันก็จะออกมาตามทวารต่างๆถ้าทิ้งไปเรื่อยๆต่อไปน้ำน้ำมันก็แยกออกจากธาตุดินร่างกายก็จะแข็งกรอบ<ม>แห้งกรอบห<ม>นังก็จะกรอบเนื้อเอ็นอะไรกระดูกเอาไ ว, ว้แย่ๆต่างๆก็จะกรอบไปหมดมแล้วทิ้งต่อไปนานๆมันก็จะผุพังกลายเป็นดินไป<ม>อันนี้เป็นของที่เรายืมมาจากดินน้ำลมไฟเท่านันน้น ร่างกายก็ดีข้าวของต่างๆก็ดีก็มาจากธาตุทั้งนั้นอ่ะบางทีก็เป็นธาตุดินผสมกับธาตุน้ําบ้างธาตุไฟบ้างบางทีก็เป็นของอันอย่างเดียวก็มีเช่นน้ําที่เราเดื่มนี่ก็เป็นธาตุน้ำล้วนๆความร้อนที่เราได้รับจากแสงแดดนี่ก็เป็นธาตุไฟล้วนๆอากาศที่เราหายใจเข้าไปก็เป็นธาตุลมล้วนๆ ธาตุดินเราก็มักจะต้องกินกับผสมกับอย่างอื่นผสมกับน้ํากำผสมกับอะไรทำอาหารทําให้เป็นอาหารหุงข้าวถ้ากินข้าวดิบๆก็กิกนไม่ได้ก็ต้องหุงข้าวก่อนก็ต้องใช้ธาตุน้ำธาตุลมมาผสมกันทําให้ข้าวมันสุกแล้วเราก็เอาธาตุดินนี้เข้าไปในร่างกายของเราเอาข้าวเข้าไปในร่างกายของเราแล้วมันก็มามาเสริมหรือมาสร้างอาการต่างๆในร่างกายของเรา สร้างผมขนและปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไปร่างกายนี้เป็นโรงงานเป็นเหมือนโรงงานโรงงานผลิตชิ้นส่วน3 2ชิ้นด้วยกันผลิตผมผลิตขนผลิตแล็บด้วยการเอาวัตถุดิบป้อนเข้าไปในโรงงานอันนี้วัตถุดิบที่โรงงานนี้ต้องการก็คือธาตุสี่ดน้ำลมไฟถ้าตราบใดมีการหายใจเข้าออกอยู่โรงงานนี้ก็จะทำงานต่อไปได้ แต่พอถ้าเกิดการหยุดการหายใจเข้าออกแล้วโรงงานนี้ก็ต้องหยุดทันทีปิดทันทีไม่สามารถผลิตชิ้นส่วนต่างๆได้แลช่วงนั้นคนที่ส่วนต่างๆที่มารวมตัวอยู่ในร่างกายก็จะแยกออกจากกันคือถ้าทั้งสี่ก็จะแยกตัวออกจากกันตันในที่สุดร่างกายนี้ก็หายไปเพราะมันกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวเราของเราในร่างกาย เป็น้องดินน้ำลงไปที่เรายืนเขามาเอามาใช้เพื่อมาทำกิจที่เราต้องการที่เกิดจากความหลงของเราความหลงที่คิดว่าความสุขของเรานี้เกิดจากการที่ได้ทำตามความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราวลาที่เราได้ทำอะไรตามความอยากแล้วส่อความรู้สึกมีความสุขชั่วครา แต่ความอยากนี้เป็นความสุขความอยากที่ได้จากความสุขที่ได้จากความอยากเป็นความสุขที่ไม่ได้ทําให้เกิดความอิ่มเกิดความพอเป็นไ ง, ไงกลับไปทําให้เกิดความอยากเพิ่มขึ้นอีกเช่นวันนี้เราได้ร้อยหนึ่งพรุ่งนี้เราก็อยากจะได้ทักงพันหนึ่งความอยากมันจะขยายตัวเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอากคืบได้ครืบก็อยากจะได้เป็นศอกอยากศอกก็อยากจะได้เป็นวาพอเราถึงมีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านมีเท่าไหร่ก็ไม่พอ ต่อไปก็มีเงินเป็นล้านๆถ้ามีได้มั น, มนความอยากมันต้องการมากขึ้นไปเรื่อยๆสังเกตดูสมัยเราเด็กๆในวันหนึ่งได้ขนมเท่าไหร่เราก็ดีใจแล้วใช่ไหมแต่พอโตขึ้นหน่อยไม่พอใช้อยากความอยากจะซื้อของมากขึ้นแล้วเห็นของมากขึ้นอยากได้มากขึ้นก็ต้องเพิ่มขอเพิ่มจากพ่อจากแม่อพอไปเรียนหนังสือจบไปทางานก็ได้เงินมากขึ้นแล้ว ก็ใช้มากขึ้นไปเพราะความอยากมันก็ขยายตัวต่างไปเรื่อยๆบา ง, รงกระทั่งเดี๋ยวนี้มีเงินเดือนกี่แสนกี่ล้านมันก็ยังอยากอ ย, ากอย่างนัยังอยากจะได้มากไปกว่า น, นี้เรื่อยๆทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่มีคำจําเป็นจะต้องมีเงินทองมากมายขนาดนี้เพราะสิ่งที่จําเป็นที่เราต้องมีจริงๆก็มีแค่ปัจจัยสี่เท่านั้นก็คืออาหารเครื่องนึ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคถ้าเรามีเงินทองพอที่จะมีปัจจัยสีได้แล้วมันน่าจะพอ แต่ไม่พอหรอกความอยากความอยากมันมีแต่จะทำให้เราอยากมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วหยุดมันไม่ได้ถ้าเราไม่มีรู้จักวิธีหยุดคนที่รู้จักวิธีหยุดก็คือพระพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้าจะหยุดความอยากได้ต้องมีเครื่องมือเหมือนกับการที่เราจะหยุดรถยนต์ได้เราต้องมีเบรกถ้าเราขับรถไปแล้วรถวิ่งไปแล้วเกิดเบรกแตกใหหยุดไม่ได้แหกโค้งตกเหวกันเนยเพราะเบรแตกไม่มีเบรค เวลาที่จะต้องหยุดกับหยุดไม่ได้ชันใดใจของเราก็เหมือนกันา ก, การที่เราจะหยุดความอยากได้เราต้องมีเบรกเบรกนี้ก็มีอยู่สองชนิดด้วยกันเบรกที่จะหยุดความอยากไว้ชั่วคราวแล้วเบรกที่จะหยุดความอยากอ ย, ากอย่างถาวรเบรกที่จะหยุดความอยากชั่วคราวก็คือสติเป็นการระลึกเลือก อ, อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง<ม>เพื่อควบคุมป้องกันไม่ให้ความคิดต่างๆเกิดขึ้นมา น, น ถ้าเราอยู่เฉยๆมันความคิดจะโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดอยากจะทานู่นคิดอยากจะทำนี่คิดอยากจะไปนู่นคิดอยากจะไปนี่มันคิดอยู่ได้ทั้งวันอ่ะตั้งแต่ตื่นมาเขาหยุดคิดหรือยังถ้าไม่มีเบรกมันไม่หยุดมันก็คิดไปอยู่เรื่อยถ้าเราต้องการไม่ให้ความคิดเหล่านี้เกิดขึ้นเราก็ต้องมีอุบายที่จะทำให้ความคิดไม่เกิดอุบายก็เรียกว่าอุบายแห่งสติคือใช้กรรมฐาน กรรมฐานคืออารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ให้ผูกใจติดไว้กับอารมณ์อันนี้เมื่อมีการผูกใจติดไว้กับอารมณ์อันนี้ความคิดใจก็จะแวบไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ไม่ได้หรือคิดได้ก็ยากขึ้นหม่ๆมันยังอาจจะคิดได้เพราะสติยังมีกาลังน้อยแต่ถ้าฝึกสติไปเรื่อยๆต่อไปสติจะมีกำลังมาก จะสามารถควบคุมใจให้อยู่กับอารมณ์ที่เรากําหนดไว้ได้เช่นพุโทโธพุโทโธนี่ก็เป็นอารมณ์อย่างกูบาอาจารย์ต่างๆทาง่านสอนให้พวกเราหัดบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปภายในใจถ้าเราอยากจะหยุดความคิดเพราะว่าถ้าเราไม่มีเบรกมันความคิดมันจะไม่หยุดเวลาเราโกรธมันก็จะโกรธไปจนกว่ามันจะเหนื่อยมันมันถึงจะหายโกรธเวลาเสียใจมันก็จะเสียใจไปจนกว่ามันจะเหนื่อยหมดแรงมันถึงจะหยุดเสียใจ แต่ถ้าเรามีสติเช่นใช้คําบริกรรมมิวบายแห่งสติใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธเวลาโกรธนี่ยอยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆอย่าไปคิดถึงสิ่งที่ทําให้เราโกรธอย่าไปคิดถึงคนที่ทําให้เราโกรธอยู่กับพุทโธไปพุทโธไปสักพักหนึ่งมันก็ลืมลืมเรื่องที่ทําให้เราโกรธลืมลืมคนที่ทําให้เราโกรธพอคนที่ทําให้เราโกรธไม่อยู่ในใจเราความโกรธมันก็หายไปพองๆกันอันนี้แหละคือวิธีแห่งสติ เราต้องใช้สติคือบังคับให้ใจเราผูกอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจะเป็นพุโทโธก็ได้เวลาเวลาที่ใจเราฟุ้งซ่านขึ้นมาคิดมากคิดจนกระทั่งเครียดขึ้นมานี้เราก็ใช้พุโทโธไปบางคนก็ใช้การสวดมนต์ไปก็ได้สวดมนต์ไปภายในใจไม่ต้องออกเสียงายการกระทาเหล่านี้ไม่ต้องออกเสียงเป็นเรื่องของใจพุโทโธก็ทำไปในภายในใจได้ แต่ถ้าเบื้องต้นมันทําท ำ, ท ำ, ท, ำทำในใจไม่เป็นก็อาจจะบริกรรมแบบเบาๆอย่าไปรบกวนชาวบ้านเขาอย่าไปรบกวนคนอื่นรับพุโทโธแบบเบาๆไปสวดมนต์แบบเบาๆไปก่อนก็ได้แต่ถ้าเราสามารถทําในใจได้ยจะดีที่สุดเพราะจะไม่มีใครรู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เพราะบางทีเราสวดเราทาอะไรเขาอาจจะคิดว่าเราบ้าก็ได้แต่การที่ไม่บ้าหราเร า, ากําลังควบคุมใจของเราให้สงบให้นิ่ง ไม่ให้เครียดไม่ให้ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆไม่ให้อยากความทุก <Vegan> ข์ความเครียดต่างๆมันเกิดจากความอยากอยากได้อยาให้เขาทําอย่างนั้นทําอย่างนี้พอเขาไม่ทําให้เราก็เกิดความโกรธขึ้นมาเกิดความเสียใจขึ้นมาเราต้องหยุดความอยากอันนี้หยุดความอยากให้เขาทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ด้วยการใช้สติใช้ใช้อุบายของสติก็คือพุทโธพุทโธด้วยการสวดมนต์ไปสวดไปเรื่อยๆพุทโธไปเรื่อยๆ ถาเดี๋ยวความอยากก็จะหยุดเ mm. พราะเราจะหยุดคิดถึงเขาคิดถึงเขาพอเราไม่คิดถึงเขาแล้วความอยากที่จะให้เขาทำอย่างนั้นทงอย่างนี้มันก็จะหยุดชั่วคราว mm. พอหยุดแล้วปับ๊บใจเราก็นิ่งใจเราก็สงบ mm. ใจเราก็มีความสุขกลับมาเป็นปกติได้ mm. น, นี่คือการหยุดความอยากแบบชั่วคราวหยุดด้วยสติแต่พอเราหยุดสติพอเราไม่มีพุโทโธอยู่สักพักเดี๋ยวเผลอปล่อยให้มันคิด มันก็ จ, จะคิดกลับไปคิดเรื่องเก่าก็ได้คิดเรื่องของคนนั้นคนนี้ที่ทำให้เราทุกข์พอไปคิดถึงเขาใหม่ก็ทำให้เราทุกข์ใหม่ได้อีกนี้ถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาแบบถาวรแบบไม่ต้องทุกข์กับเขาอีกต่อไปเลยถึงแม้ต่อไปเราไปคิดถึงเขาเราก็จะไม่ทุกข์เราก็ต้องใช้ปัญญาอุบายของปัญญาปัญญาเราก็ต้องมองเขาว่าเขาเป็นอนัตตาเขาเป็น mm. มองเขาว่าเขาเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้ สั่งให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ไม่ได้ถ้าเขาไม่เขาอยากจะทำเขาก็ทำแต่เขาไม่อยากจะทำเราก็ทำอะไรเขาไม่ได้เมื่อเราบังคับเขาไม่ได้เราก็อย่าไปอยากอย่าไปหวังให้เขาทำอะไรให้กับเราเท่านั้นเองพอเรารู้ว่าเราบังคับเขาไม่ได้หวังอะไรจากเขาไม่ได้เราก็เลิกหวังเลิกบังคับเขาพอเลิกหวังเลิกบังคับเขาเขาจะทำหรือไม่ทำเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะไม่โกรธเราก็จะไม่เสียใจอันนี้เรียกว่าปัญญา คือต้องบองว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นี่มันเป็นของที่เราไม่สามารถที่จะสั่งได้เสมอไปไม่สามารถที่จะได้มาเสมอไปและบางทีได้มาแล้วก็อาจจะต้องสูญเสียไปก็ได้ได้มาวันนี้พรุ่งนี้เขาอาจจะตายจากเราไปก็ได้เพราอฉะนั้นไม่มีอะไรแน่นอนในสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่จะทําให้เราสมหวังมีความสุขไปได้ตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้วันใดวันหนึ่งเวลาใดวันเวลาหนึ่งเราก็จะต้องเจอกับความผิดหวัง เจอกับความเสียใจถ้าเราไปผูกความสุขของเราไว้กับสิ่งต่างๆผูกความสุขไว้กับคนนั่นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ mm hmm. ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ถ้าเราอยากจะสุขแบบที่ไม่ต้องผูกเราก็อยากไปผูกพอเราตัดความอยากต่างๆได้ใจที่วุ่นวายใจที่เครียดมันก็จะสงบตัวลงเอง mm hmm. แล้วสร้างความสุขอีกแบบหนึ่งขึ้นมาความสุขที่เกิดจากการไม่มีความอยากอันนี้แหละเป็นความสุขที่แท้จริง คามสุขที่จะต้องที่จะทําให้เราหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็คือการหยุดความอยากต่างๆหยุดเส็บกามได้หยุดเส็บรูปประชานได้หยุดเจ็บอรูปประชานได้พอหยุดความอยากเหล่านี้ได้การที่จะมาเกิดแก่เจ็บตายก็จะไม่เกิดอีกต่อไปเพราะการมาเกิดมันเกิดจากความอยากทั้งสามนี่องอยากจะเสพกามอยากจะเส็บรูปประชานอยากจะเส็บอรูปประชาน มันก็จะพาให้เราต้องกลับมาเสพอยู่เรื่อยๆ เ, เสพเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พออันนี้แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติด้วยพระองค์เองและหลังจากที่ปฏิบัติสำเร็จก็ทบทวนดูว่าอันใดที่ทำให้พระองค์สามารถหยุดความอยากได้แก้ความอยากได้ก็เห็นว่ามีอยู่สามการปฏิบัติสขั้นตอนที่พระองค์ได้ปฏิบัติมาขั้นตอนแรกก็คือการทาทาน ละตัดความอยากด้วยการไม่เอาเงินทองไปทําตามความอยากเอาเงินไปแจกจากผูให้คนอื่นเข้าไป <Yeah. S 1> ทำตะวันทําทานถ้ามีเงินมีทองแล้วอยากจะใช้เงินซื้อความสุขตามความอยากก็ต้องหยุดมัน <Yeah. S 1> ถ้าถ้าจะเก็บไว้ก็ได้ถ้าจำเป็นจะต้องเก็บเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็เก็บได้แต่ถ้าจะเก็บไว้เพื่อทําตามความอยากอย่าเก็บ <Yeah. S 1> เพราะความอยากนี้มันจะตัวเป็นตัวที่พาให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆนั่นเอง ตัดความอยากด้วยเ ง, เงินทองที่เรามีอยู่ถ้าเรายังใช้เงินทองทำตามความอยากอยู่เราก็ต้องหยุดมันเอาเงินทองนี้ไปให้คนอื่นเอาไปทำบุญบุญจากช่วยโลกช่วยสงเคราะห์คนทุกข์ยา ก, ยากเดือดร้อนหรือบารุงพระพุทธศาสนาก็ได้แล้วแต่แบบใดที่เราไม่ได้ทำเพื่อตัวเราเองไม่ได้ทำเพื่อความอยากของเราแล้วก็มารักษาศีลเพื่อหยุดความอยากที่จะทำร้ายผู้ทำบาปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพติผิดประเพณี แล้วก็มาภาวนามาปฏิบัติธรรมผู้เจ้าสละราชสมบัติทิ้งสมบัติไปหมดไม่เอ า, เ, อางเงินทองติดตัวไปแล้วก็ไปรักษาศีลใบบวชเป็นนักบวชเมื่อเป็นนักบวชแล้วก็มีเวลาที่จะภาวนาปฏิบัติสมาธิปฏิบัติปัญญาได้อย่างต่อเนื่องก็ปฏิบัติสมาธิปัญญาจนกระทั่งเกิดปัญญาขึ้นมาเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาเกิดเห็นความรู้ว่า สิ S <S, <Tr> ่งที่ทําให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดก็คือความอยากถ้าเราไม่อยากที่จะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องหยุดความอยากถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเราก็จะหยุดมันได้พอหยุดมันได้ก็รู้อยู่ว่าครบชาติไม่มีต่อไปนานาคนเพราะไม่มีอะไรจะมาผลักดันให้ไปเกิดอีกต่อไปนั่นเองใจของพระเจ้าก็เลยไม่ต้องมาเกิดมาเวียนว่ายตายเกิดเหมือนพวกเราอีกต่อไปเพราะท่านหยุดความอยากทั้งสามได้ อยากในกามอยากในรูปฌานและอยากในรูปฌานได้เมื่อหมดความอยากเหล่านี้การเกิดก็จะไม่มีต่อไปเมื่อไม่เกิดก็จะไม่มีความแก่ความเจ็บความตายตามมาก็จะหมายถึงออกได้หลุดพ้นจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดออกออกจากคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตายกำแพงสีด้านที่ขังอยู่ก็จะไม่มีต่อไปกายก็จะเป็นอิสระอยู่อย่างสบายไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด ความสุขสบายอย่างทาวา น, นี้เราเรียกว่าปรมังสุขขังเป็นชื่อของพระนิพพานชื่อของใจที่ได้หลุดพ้นจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วนี่คือสถานภาพของพวกเราที่เราจะสามารถไปถึงได้ถ้าเราเชื่อคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าและน้อมนําเอาไปปฏิบัติให้อย่างเต็มที่เราไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้ไปถึงจุดนั้นอย่างแน่นอนเพราะมีผู้ที่มีศรัทธามีความเชื่อและปฏิบัติตาม ได้ไปถึงจุดนั้นกันมากอย่างมากมายคือพระสุปฏิปันโนทั้งหลายที่เราเคารพนับถือท่านมีศรัทธาในคำสอนท่านมีความเชื่อฟังในคำสั่งคำสอนท่านปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนจนในที่สุดท่านก็ไปถึงจุดนั้นได้นี่คือสิ่งที่เราที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปูราปริปุเรนติสากหลังเอวเมวาอิโตจินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปะจิตังตุมหังคิปมวาสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติ การสยทัสสะพิโยวิวัจฉันตุสัพโรโควินาสตุมเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานศีลิสานิจังวุฒาปะจายโนจตารุธรรมาวาทาติอายุวันุสุขัง อาาลช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคําถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่สะดวกเพราะหลังจากที่เลิกแล้วจะต้องทํากิจยังวนต่อไม่สะดวกงั้นอยากจะถามอะไรก็ถามตอนนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไรการเป็นพิธการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมนนากุติจากทางเฟ e บุ o ก479ท่านทางย t u b e พระอาจารย์296ท่านทางด r v c h a n n e ว64ท่านกรับเฮาส์4ท่านวิทยุออนไลน์7ท่านนากุติ122ท่านรวมทั้งหมดเป็น972ท่านเจ้าค่ะ เจ้าค่ะมีคำถามจากผู้รับฟังธรรม น, นุกุติเจ้าค่ะฝึกปฏิบัติมาประมาณเกือบหนึ่งปีพยายามมีสติในชีวิตประจำวันทุกคืนก่อนนอนภาวนาในรูปแบบแต่รู้สึกว่ายังไม่ก้าวหน้าบ า, บางครั้งรู้สึกว่าถอยลงอยากให้หลวงพ่อเมตตาช่วยแนะนำด้วยครับว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะกระ ก้าวหน้าปฏิบัติอยู่มาถูกทางแล้วไหมครับสติที่เกิดจากการทํางานนี้มันยังสติไม่สมบูรณ์เพราะเป็นสติที่ยังต้องใช้ความคิดอยู่สิ่งที่เราต้องการคือสติที่หยุดความคิดไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นการที่จะฝึกสติแบบหยุดไม่คิดได้ น, นี้ต้อ ง, งไม่ทํางาน ต้องไปอยู่ที่คนเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเช่นไปอยู่ที่วัดปฏิบัติวัดปฏิบัติเขาจะมีสถานจัดที่ให้อยู่ตามลำพังเพื่อไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับใครแล้วก็ใช้ใช้สติคอยควบคุมความคิดค อ, คอยหยุดความคิดถ้าเราได้สติแบบนี้เวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้ดังนั้นถ้าอยากจะให้เกิดการพัฒนาได้ผลดีก็ต้องหาเวลาไปปรีดเวก ไปอยู่ทางสถานที่ปฏิบัติอยู่ตามลำพังแล้วก็ใช้เวลานั้นทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นจนหลับด้วยการเจริญสติอยู่เรื่อยๆคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดดึงจิตให้อยู่กับพุทโธและอยู่กับปัจจุบันอยู่อยู่กับร่างกายไม่ให้ใจไปคิดถึงอดีตไม่คิดถึงอนาคตไม่ให้ไปไม่ให้ไปที่ใกล้ที่ไกลไม่ให้ไปไหนเลยให้อยู่ตรงเนี้นั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้ว่ากําลังนั่งอยู่ตรงนี้ ท่านนั่งเฉยๆแล้วไม่รู้จะทําอะไรก็ดูลมหายใจเข้าออกไปก็ได้หรือพุโทโธพุโทโธไปก็ได้ก็หยุดความคิดเจ้าค่ะคำถามต่อไปจากทางเฟซบุ๊กจากคุณสราวุฒิอุบลสุวรรณพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตครับโอวาสามยึดไว้ในจิตใจดีอย่างไรครับพระอาจารย์ครับไม่ทราบว่าโอวาสามเป็นอะไรบ้างต้องแจ้งมาให้ทราบก่อนเรา ไม่ได้เป็นคนที่จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เป็นสัพพันย์อยูต้องต้องบอกหน่อยว่าโอ้ว่าสามคืออะไรคำถามจากทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะปกติหนูจะบวชทุกวันเกิดแต่วันนี้หนูฟังหลวงพ่อ น, นั่งสมาธิที่บ้านได้ไหมคะนั่งที่ไหนก็ได้ขอให้ที่ที่เรานั่งมันสงบไม่มีเสียงรบกวนไม่มีใครทำอะไรหรือกระทบกระทุ้ง ท, ที่จะมา ทำลายสมาธิของเราต้องหาที่สงบสงัดวิเวกกายวิเวกแล้วจิตก็จะวิเวกขึ้นมาไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นวัดเสมอไปเสมัยนี้บางทีวัดกไ็ไม่สงบถ้าเป็นวัดที่มีพิธีกรรมวัดที่มีงานศพ ม, มีงานบวชมีงานอะไมันก็จะไม่สงบต้องไปวัดปฏิบัติวัดที่ไม่มีพิธีกรรมต่างๆมีแต่การเจริญจงกรมนั่งสมาธิอันนั้นะเป็นที่ที่เป็นที่ปฏิบัติดี ถ้าหาวัดปฏิบัติไม่ได้ก็เอาบ้านเราเป็นวัดแทนก็ได้พยายามทำห้องเราไม่ให้มีเสียงเข้ามารบกวนขังตัวเราอยู่ในห้องเขียนป้ายติดที่ที่หน้าประตูว่าเป็นวัดปฏิบัติธรรมเราก็สิ่งที่เราต้องการก็คือความสงบขังตัวเองไว้อยู่ในห้องไม่เลยรับรู้เรื่องภายนอกห้องถ้าเป็นห้องเก็บเสียงได้ยิ่งดียังไม่มีคาถามเข้ามาเจ้าค่ะ การปฏิบัติมันจะได้ผลดีมันต้องปฏิบัติตามลําพังแต่สําหรับคนที่เริ่มต้นใหม่ๆยังปฏิบัติเองไม่เป็นก็ต้องอาศัยไปเข้ากลุ่มก่อนเช่นเขาจะมีจัดคอร์สมีจัดเวลาให้ไปปฏิบัติสมวันห้าวันเจ็ดวันแล้วเขาจะมีตารางให้เราทำเช้าตื่นขึ้นมากี่โมงทําอะไรบ้าง<ม>เดินโยนกลม บ, บ้างนั่งสมาธิบ้างไหว้พระสวดมนต์บ้างพักรับประทานอาหาร แล้วก็กลับมาฟังเทศฟทางธรรมเข า, า, า, า, าจะมีกิจกรรมให้ทำทั้งวันทั้งคืนเพราะใจเรายัางทําอะไรเองไม่เป็นก็ต้องอาศัยกิจกรรมเหล่านี้ดึงไปก่อนแล้วต่อไปพอเรารู้แล้วว่าเราต้องทาอะไรเราจะปฏิบัติตามลำพังก็ได้ก็ดีดีกว่าไปปฏิบัติเป็นกลุ่มะเป็นกลุ่มนี่เป็นการจุดเริ่มต้นให้เราเรียนรู้วิธีการปฏิบัติต่างๆที่ถูกต้องว่าต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง อเรารู้แล้วถ้าเราสามารถปฏิบัติเองได้ก็ปฏิบัติเองไปเลยจะได้สะดวกรวดเร็วกว่าที่จะต้องมาคอยรอจับกลุ่มเพราะกิจกรรมบางอย่างเราอาจจะไม่ต้องทำแล้วก็ได้ถ้าเราจะสนใจแต่การเจริญสติอย่างเดียวเราก็เจริญสติไปอย่างเดียวเดิจจนจงกลมนั่งสมาธิไปเจ้าค่ะคาถามต่อไปจากคุณศศิธรเจ้าค่ะมีคนถามเราว่า จะยึดหลักอะไรว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นเป็นสิ่งที่ถูกหรือสิ่งที่ผิดค่ะและถ้าเราใช้หลักธรรมเพื่อนำทางชีวิตเราเป็นสิ่งที่ถูกที่ควรแล้วหรือยังคะน้อมกราบพระอาจารย์ค่ะก็ดูผลที่เกิดจากการกระทาของเราไม่ว่าการกระทาทางกายทางวาจาของเรานี้ทำไปแล้วทาให้เกิดคุณหรือเกิดโทษกับผู้อื่นและกับตัวเรา ถ้าทําไปแล้วเกิดโทษกับผู้นือเกิดโทษกับตัวเราก็อย่าทําเช่นทําบาปนี่มันเกิดโทษทั้งกับผู้และทั้งกับตัวเราไปรัดทรัพย์ของผู้อื่นก็ทําให้ผู้อื่นเขาเสียใจเสียหายแล้วเราก็ต้องมาทุกข์เพราะเราจะต้องคอยหลบคอยซ่อนคอยโกหกหลอกลวงอันนี้ก็จะทําให้เกิดทุกข์ทั้งกับผู้กระทาเองและผู้ที่ถูกกระทำอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการกระทํำที่ไม่ไม่ถูกไม่ควร การกระทำที่ทำให้เกิดคุณเกิดประโยชน์เกิดความสุขกับผู้อื่นและกับตัวเราเองอันนี้เป็นการกระทำที่ควรจะทำเช่นการทำบุญการได้ช่วยเหลือผู้อื่นที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเขาก็ได้ความสุขจากการให้ของเราเราก็ได้ความสุขจากการให้ของเรา <c oughs> อย่างนี้ก็เป็นการกระทำที่ถูกต้องให้ดูผลกระทบที่จะตามมาทั้งกับตัวเราและกับผู้อื่นถ้าทาไปแล้วขขเกิดโทษ กับผู้อืนก็ดีกับตัวเราก็ดีอย่าทาคาถามต่อไปจากคุณสิริปรพาสิทธิเดชเริ่มจากการสวดมนต์ก่อนนอนทุกวันเป็นการเริ่มปฏิบัติที่ดีที่ดีใหม่เจ้าคะดีแต่น้อยมากต้องเริ่ม ต, ต, ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจะดีกว่าตื่นขึ้นมาแล้วก็ตั้งสติก่อนในพุโทโธพุโทโธไปทั้งวันทั้งคืนนะอย่างนี้ถึงจะได้มาก ถ้าม า, ม า, มารอตอนก่อนนอ น, นก็ตั้งสติได้แค่ห้านาทีสิบนาทีก็หลับแล้วค่ะ <c oughs> คาถามจากคุณสิริธรก้านสิริพระอาจารย์คะหนูต้องปล่อยวางเกี่ยวกับเรื่องรูปติดเกมอย่างไรดีเจ้าคะ่ะขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะถ้าเราเป็นพ่อแม่เรายังคุมลูกได้เราก็คุมเขาห้ามเขาเห็นเขาติดเกมก็เอาเครื่องเล่นเกม อย่าให้เขามีเครื่องเล่นเกมไปห้ามไปแต่ถ้าห้ามแล้วยังเขาก็ยังไปหาเครื่องเล่นเกมมาเล่นอย่างนี้เขาไม่เชื่อฟังเราเราก็ต้องทําใจว่ามันเป็นกรรมของเขา<ม>สอนไม่ให้วิ่งกระโดดเข้ากองไฟแต่อยากจะวิ่งเข้ากองไฟก็ช่วยไม่ได้<ม>เราทําหน้าที่ของพ่อแม่ที่ดีแล้วเคยคอยห้ามปรามลูกในการทําสิ่งที่ไม่ดีที่เป็นโทษกับตนเองและพูด แต่ถ้าเขาไม่เชื่อฟังเขาจะไปทำตามความอยากของเขาเราก็ห้ามเขาไม่ได้เราก็ต้องทำใจว่ามันเป็นกรรมของเขาเราไม่ต้องไปเสียใจเราทำหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วเจ้าค่ะยังไม่มีคาถามเข้ามาเจ้าค่ะคถ้าไม่มีก็คิดว่าเอาแค่นี้ก่อนสำหรับวันนี้เพราะมีอีกสามวันที่จะต้องเทศต่อไปใครอยากจะมาฟังกัอย่างพรุ่งนี้อพรุ่งนี้ วันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์วันปีใหม่ก็ยังมีเทศต่อยังมาถามคำถามต่อไปได้แต่วันนี้ขอเก็บแรงไว้หน่อยเพื่อจะได้ทำงานต่อไปได้การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดสาธุ